นี่เหมือนพวงเหมือนแพรมาสุสมไปตามการสมัยเราจะขี่วันขามฝากให้ได้ไม่ต้องไปแบกมันเมื่อมันโจนลงไปก็ขึ้นฝั่งเลยๆไม่ต้องเอาแพรึ้นไปด้วยคือกายคือรูปประธรรมเราจึงมาศึกษาเรื่องนี้กันแต่เป็นทุกข์เพราะกายอย่าเป็นทุกข์เพราะใจเราใช้มันเราไม่ใช้เรามาดูมาทํากรรมฐานเพื่อจะรู้เรื่องนี้ตามความเป็นจริง ไม่ต้องไปหามาทำกรร ม, มฐานที่ตั้งแห่งการกระทำมีสติมาตั้งไว้ที่กายนี้กายเป็นของใช้ได้มีอยู่อาศัยกายเป็นนิมิตให้มีสติฝึกขัดไปก่อนบางทีเราไม่เคยใช้ไม่เคยดูใครก็ตามจะมีความลูกขนาดไหนจบมาแช่ไหนศาสตร์อะไรก็ตามต้องมาฝึกหัดตัวไม่กันให้มีสติไปในกาย ให้มีคนอื่นสอนเราสถาบันไหนไม่มีไอ้ลูกของมหาวิลลยไม่มีมีแต่เราสอนตัวเราเองเจงมารวมกันขอเป็นสวยร่วมให้เรื่องนี้บ้างเพราะเคยประสบการมาแต่ก่อนเคยหลงเรื่องกายเคยหลงเรื่องใจพอมาศึกษาก็ไม่หลงอ่ะเอามาเป็นปัญญาสวรรครอบรู้ในกองสังขารคือกายกิจใจนี้มันเป็นปัญญาไม่ใช่มราจักกัน การศึกษาเป็นสูตรสาเร็จตามสมมติปัญญาต้องตาไปดูเขารลบปัญญาที่พุทธมณฑนมีพระมีเนนมีนักบวดศาสนาพุทธว่ายมหายานพวกไต้หวันพวกอะไรเขาก็มากันอันนั้นรับปัญญาได้ไปประกาศตามสมมติปัญญาตมีความรู้เป็นพันพันลูกขาดกลัวชีวิตอันนั้นก็เป็นปัญญาอนะันหนึ่ง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 อยู่ในประตู้น้อยๆ อ, อันคิดมันเกิดขึ้นว่าไม่ตั้งใจก็บลูกอันความคิดที่ตั้งใจแต่ตั้งใจคิดก็คิดได้แต่อย่าไปหลงเพลินไปกับความคิดที่เหตุที่ผลอะไรมากมายเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมคือการเหตแย่เหตุผลยังฆ่ากันตายได้ทะเลาะวิวาสกันเพราะเหตุเพราะผลอันสัจธรรมไม่ใช่ทะเลาะกับใครเป็นการแก้ตัวเองมองตนกลับมา ตกปู่แลกไม่เป็นแล้งตกหมูกาไม่เป็นกาเรียกว่าชัจะธรรมมันไม่ใช่ชัจะธรรมอะเอาผิดเอาถูกโต้กันได้คนนั่นผิดเราถูกเอาตัวบทกฎหมารัฐธรรมนูญมาหัดแย่งกันจนติดคุกติดรางหรือประหารชีวิตตามสมบูรบัญญัติแต่ว่าชัจะธรรมะถ้าตกหปรแรกูแลงเขาเนินทาเราเขาทะเลาะกับเราเราก็ไม่ทะเลาะกับเขาเขากดเราเราไม่กดตอบ ขอเชิญและเชิญยกย่องเราก็ไม่ยินดีตกความยินดีความพอใจความมั่นใจไม่มีเลยลักษณะอย่นั้นแล้วมีสติเราฝึกหัดมาประสบการณ์มันหลงก็รู้มันไม่หลงก็รู้อยู่มันสุข ก, ก็รู้อยู่มันทุกข์ก็รู้อยู่มันรู้ก็รู้มันไปรู้ก็รู้นี่เรียกว่ากรรมตักงไม่ให้แน่นหนาะถ้ามันตั้งไม่เป็นกามาตั้งไม่ที่กายนี้หัดตั้งไว้ ใ่เฉยวางลอยๆคิดเอาคิดโตนคิดนี่คิดผิดคถูกแต่ทั้งใจรู้จากความคิดกลายเป็นจิตญาณได้แต่รู้การรู้แบบนี้ประสบเห็นพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นอัญญาณตัวนี้ยมันพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นอันคิดเห็นมันเป็นจินตญาณอร่อยจินตมยปัญญาเป็นปัญญาได้เหมือนคําตอบที่เราสอบผ่านวิชาการต่างๆก็ตอบได้ เขาตาก็าเคยเรียนรักถามสบายเปินเลยก็สอบได้ใบประกาศเพาะตอบได้แต่ไม่ใช่ญาณที่มันจางรู้มันจํามาดังเขาถามว่าทำเป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คืออะไรทําเป็นที่อยู่ของผู้น้อยคืออย่างไรกูลที่มังคั่งอยู่ได้นานเพราะเหตุใดแต่กูนที่มัง่งคั่งอยู่นานไม่ได้เพราะเหตุใดเราตอบได้เพราะเราเรียนเราจํามา ตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใหญ่คือเมตตากรุณามุติดาวเปขาใครมีทำมันนี้เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แม้จะเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ได้ถ้ามีเมตตากรุณามุติตาวเปขาตำแหน่งที่อยู่ของผู้น้อยก็คือด้วยอุปถากด้วยรับใช้ด้วยเชื่อฟังศิษายารียนศิลปะวิทยาโดยขลุบเรียกว่าผู้น้อยก่อนน้อมเอาไว้เย่างหงส์ฟังตระกูลที่มังคั่งอยู่ได้นานเพราะเหตุรู้จักซ่องแจพัสดุที่ครับค่า รู้จักเสาะหาพัจสดุที่หายไปแล้วคืนมารู้จักเสาะหาพัจสดุที่ยังไม่มีให้มีขึ้นบุรุษจติตเป็นหัวหน้าแม่บ้านพ่อเลือนต้องเป็นผู้มีศินอย่าเป็นแห้งแล้งข้าหมากราคาเนี้แต่กุณนี่ไม่มั่งคั่งอยู่นานได้เพราะเหตุตรงงานข้ามไม่รู้จักส้มแซมพัสดุที่ข้ามค่าไม่หาพัจสดุที่หายไปให้คืนมา ไม่แสวงหาพระสูตรที่ยังไม่มีเพราไม่แสวงหาขี้เกียจเพรบ้านแม่เลี้ยงเป็นคนทุจริตเล่นคามาค า, าบดนีสามีหามาพัญญาข้าบหนีพัญญาหามาสามีข้าบหีกินเหล้าโมยาเที่ยวเตะเลยหลอนอันนี้ก็จิบหายไวาวอดเราก็ตอบได้เอาไปประกาศมาห้อยฝาแต่บางคนก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อกินเหล้ากินยามาเล่นการประนันเกียจที้ขันอันั้นก็มีเหมือนกันมีความรู้แต่ว่าการปฏิบัติทำมาใช่ความรู้แบบนั้น มันหลงพบเห็นความหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้มันก็ไปชนก็นอยู่เราก็เห็นอยู่ตัวหน้าต่อตาเราเนี่เราสร้างติตเป็นกรรมตั้งไม่กับกายเคลื่อนไหวรู้เบาอย่าไปรู้แบบเพ่กรู้ซื่อๆดูเฉยๆดูรู้เป็นดูก่อนที่เราจะดูต้องมีตัวภาวะที่เห็นเหมือ น, นตาเราตาเราอยากดูอะไรก็ลื่นตาขึ้นมาถ้าไม่ลื่นตาก็ไม่เห็นละไม่มีใครไม่ดูอะไร เท่าคนตาบอดเห็นความดีก็เหมินเฉยเห็นความชั่วก็เหมือนเฉยคิดชั่วก็คิดอยู่ได้โกดก็โกดอยู่ได้ไม่เห็นนัหละคนตาบอดคนหลับตํามาทในเมื่อผู้อื่นไม่ประมาดบางคนเขารู้เห็นความชั่วโอ้ยเคารพความชั่วเหมนเราสวดเมื่อกี้เนี่ยจงเคารพพระธรรมธรรมคือความชั่วธรรมคือความดีความหลง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 เราจึงมาเวนกันดูมันก็เห็นผ่านตาเราอยู่ตาในคือสติมันหลงมันรู้เราเลินตาแล้วไม่ประมาทในเมื่อปืนประมาทเราหลงมาชวนให้เราหลงเราก็ไม่หลงเขาประมาทเขาหลงเราก็เห็นตื่นอยู่ในเมื่อปืนหลับบางคนก็นกแสดงให้เราเห็นโูอดออกมาโอ้เพื่อนเราประมาทแล้วเพื่อนเราหลงแล้วเราก็ไม่หลงตอนที่เพื่อนหลงเราก็ไม่หลงคนมื่นประมาทแล้วไม่ประมาท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 จมูกก็ได้กลิ่นทําให้หลงตรงนี้ลิ้นก็ได้รสทําให้หลงตรงนี้กายก็สัมผัสทําให้หลงตรงนี้ใจก็คิดเน็ทําให้หลงตรงนี้เราก็มาลูกเหมือนตรงนี้มันก็ลูกตรงนี้ลูกตรงนี้จนเช่นนี้จนานเอาเป็นความลูกประสบการณ์บทเรียนได้ทั้งหมดเลยยิงมาดูตัวเองมาดูด้วยกันโยดยรูปแบบกับรริหารคือการกระทาก็มีเยอะยอะเอากายระวางประกอบ ให้มาเกิดความรู้ขึ้นมาไม่ได้หาให้มันไปเลยอย่ามาผิดความหลงเอาเปลี่ยนถมาธิเปลี่ยนคือปฏิบัติเปลี่ยนล่ายเป็นดีคือปฏิบัติปฏีคือเปลี่ยนเปลี่ยนไปทางดีมันมีให้เราเปลี่ยนตลอดเวลาสนุกดีการมาฝึกตนแรงสนุกดีไม่ใช่ความเกลียดค้านสนุกเข็นมันหลงสนุกเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้มันทำได้ไม่เหมือนเราไปทำม อ, อื่น ทันทีเดี๋ยวนี้มันหลงว่าเปลี่ยนเป็นโคลมลู่ไม่ได้รอเลยปัจจจตังทันทีนี่คือคําสอนที่เป็นศัจธรรมพิสูจน์ได้ไม่ใช่คำหนึน่งอ้าเหตุนะผลไม่ใช่ศัจธรรมมันหลงเห็นไหมมันลู่เห็นไหมเกี่ยวกับโคลมหลงอย่างไรไอ้เวลามันหลงทํำยังไงไปเรียกใครไปช่วยอะเราต้องทําเองนี่คือปัจจจตังเห็นเองลู่เอง เชืเ่อใงเตือนตนแองการทำแบบ น, นี้เรียกว่าวาจนาเรียทว่านิสัยเมื่อมีนิสัยก็มีปัจจัยถึงมรรคผลนิพพานถ้ามันหลงเปลี่ยนทุวลงเป็นความรู้เป็นนิพพานอยู่ตรงนี้น้อยน้อมันทุกเปลี่ยนทุกเป็นความไปทุกเป็นนิพพานอยู่นี่พ้นไปหลุดไปมันพ้นไปน้น้อยอย่างนี้มันไปไปไหนไปจากอะไรไปจากความหลงไปสู่ความรู้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 ไม่กามวาจาจาร์ไม่อุปชาไม่สีมาตามพรติไม่ไหนแต่ว่าการถือบวชที่จะเป็นอุบายออกจากทุกไมีสิทธิ์เท่าเทียมกันมันหลงรู้เลื่อไปแล้วพ้นไปจากความหลงเป็นทางหลุดไปหลุดไปหลุดไ ป, ดไปมันทุกข์รู้พ้นจากควมทุกข์มันโกรธรู้ค้นจากความโกรธไปแล้วมันหลังให้แล้วเรียกว่าเรียกว่ามักมักคือการเดินแบบนี้ไม่ใช่เดินทางด้วยลูก ด้วยรถยนต์ด้วยถนนแล้วเหยียบทางในไว้ให้เป็นรอยรอยอะไรรอยรู้ทางรอยรูมันอยู่ตรงรอยหลงเหมือนป่าเหมือนถนนถนทนทางมันก็มีรอยไปมันจึะเป็นทางสติเหมือนเหมยเหมยมีดแท็กเตอร์ของรถมันผ่านไปรอยแท็กเตอร์รอ ย, ยมีดของรถก็กลายเป็นทางเหมือนกับสติกลายเป็นไปแต่รูตรงไหนก็มีรอยแห่งความรู้ ถ้าหลงตรงไหนก็มีรอยแห่งความหลงเราจะไปทางไหนถ้าไม่ช่วยตัวเองอ่ะใครจะช่วยเราได้จ่ะเนว่าต้องมีวิธีอย่างนี้มาสอนกันอย่างนี้มาทําร่วมกันอย่างนี้มีสถานที่อย่างนี้คือพุทธศาสนาของเรามีสมบูรณ์แบบแล้วก็มาอยู่ที่นี้มานั่งตรงนี้เสียงที่พู่อนเขาพูดอย่างนี้เราก็ได้ยินอย่างนี้เราไม่ใช่ไปนั่งอยู่ในทุ่งนา นั่งอยู่คันนาไปแสดงทรรมไปทําอะไรชื่อนั่นมันก็ไม่บอกเราจึงมีอย่างนี้ขึ้นมาพราเรามาทําขึ้นมาแล้วเราก็มาใช่อย่างนี้กันจึงมาฝึกขัดแล้วใครละ่ะใครบังคับเรามาด้วยเหตุอันใดผู้วัญชาผู้หลับผู้ใหญ่บังคับเรามาเลยหลวงตาเคยถามผู้ที่มาบวชใครบังคับมาบมืคนก็บอกพ่อแม่บังคับมาแล้วก็ไม่เฉ่แล้วใม่ที่ใครบังคับมา มาแบบไหนตั้งใจมาที่จะบิชจันพระที่อยู่ที่นี่มาไกลๆจากกรุงเทพจากไหนมาขอบวชมาทําไมไกลยอย่างนี้อะบวชที่ไหนก็ได้ก็เลือกเลือกมาที่นี่มาทําไมมาลําบากวิทยุก็ไม่มีฟังโทรทัศน์ก็ไม่มีอาหารการกินก็ไม่มีนะตู้อู่าศัยก็ไม่มีเพียงพออยู่บ้านก็เปิดตู้เย็นกินได้อยู่นี่เลือกไม่ได้ มาทำไมก็อยากว่าขาดบางคนก็ตั้งใจมามีเวลานิดต่อยเดือนหนึ่งก็มาเพื่อศึกษามาบวชแล้วก็จะศึกวันนี้จะศึกรูปหนึ่งก็เรามาบวชก็ดีถ้าโมโนธนาบางทีเยาผ้ามออให้บวชไปห่มพอใจหรือพอใจที่จหอมผ้าไหมพอใจถ้าไม่ให้ผอมผ้าถ้าให้บวชเสียใจไหมเสียใจเพราะตั้งใจมาแล้วก็เลยคล่องจีวรให้ไปไปหอมผ้ามา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 อันนี้เป็นเป็นของทำได้ปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปเพิ่อะไรพึ่งการกระทำของเราเราอยู่อย่างไงชีวิตเรามาถึงวันนี้เราหลงหรือเรารู้กันมากมีใจพึ่งใจได้ไหมเอาใจไปทำอะไรมีกายเอากายไปทำอะไรออกมาใช้เรื่องนี้ลองดูขั้งหนึ่งเถอะชีวิตเรานะอย่าไปหลงเข้าลุกขเข้าพงกันไป ถ้าเราเป็นคนดีก็ทุกแบบคนดีก็มีถ้าเราเป็นคนชั่วทุกแบบคนชั่วก็มีเราไม่ทุกได้ไหมเราไม่ทำชั่วได้ไหมเอามาทำดีแล้วความดีที่เราทำก็เป็นประโยชน์ถ้าเรามีเมตตากรุณาเมตตาเบยกขามันก็สบายสบายถ้าเรามีอิจฉาไปบาปมันก็เดือดร้อน น, นเนี่ยจึงมีการกระทำจริงจริงชีวิตเราเนี่ยมันทำได้จริงจริงหาหลักฐานามาทำความดีสติ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 สามีปัญญาทำบุญต่วกันเป็นคนดีต่อกันรักกันเคารพกันก็ต้องเป็นคนดีอย่าทำให้กันเดือดร้อนบุญในพุทธจากรจะเป็นอย่างนี้ถ้าอะไรมันขวงงางกันไว้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างรัฐบาลพมา่าเวลาเนี้รัฐธรรมนูญของเขาห้ามไม่ให้คนไปช่วยคนร่ำายเป็นแสนๆอย่างเน่าเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีใครไปช่วยเพราะรัฐบาลพมา่าให้ใครไปช่วยจะช่วยเอง บางทีทางประเทศต่างๆตัดสินใจเอาเครื่องมินใส่อาหารไปย้อนลงประเทศว่าจะเอาไปแจกกระดิง่งนั้นตัวตั้งอ็มีสมมุติปัญญ์จิตมั่นถือมัน่นถ้ามนุคิดถึงมนุษย์เราเป็นมนุษย์ชาติให้ช่วยกันบางทีสมมุติปัญญัติเอาของกันประเทศของกูมึงอย่าเข้ามาอันนี้ของกูอันนี้ของกูกายเขาของ ก, ก, องกูเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะกายเอากายไม่เป็นทุกข์ใจของกูเป็นทุกข์เพราะใจเอาใจมาเป็นทุกข์ เรียกว่าอุปทานว่าโดยยกอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สองเจ้าสวนอันตาละคณะสูตรที่นี้อุปทานไปเลยกูมีไหมกูในกายกูร้อนเห็นไหมกูพอใจกูชอบเอากายมาเป็นกูกูเหนื่อยวิธีปฏิบัติธรทำยังไงเห็นมันมันร้อนเห็นมันร้อนไม่ใช่กูเป็นธรรมชาติตนาการของกายของรูป ไม่เป็นทุกข์ความร้อนได้ไหมได้ทำไงรู้เฉยเฉยรู้แล้วมันปวดรู้แล้วมันเหนื่อยรู้แล้วเบาไหมเจ้าไม่ไหวหนักไหมไม่เป็นไรเบาไหมเห็นมันหรือเป็นมันไปผู้ร้อนหรือเห็นมันร้อนผู้หนาวเห็นมันหนาวผู้หิวหรือเห็นมันหิวเคยถามหนักปฏิบัติมันเครียดง่วงก็ง่วงคิดมากอ้าว นักกรรมถ า, านก็ไมต่ตอบอย่างนั้นหรอกตอบไหมไม่เอาตอบเป็น่ะมันก็เครียดจริงๆนะดูหน้าตาเพาเครียดอ่ะเผลนเครียดมองออกไหมโกรโกรธมองออกไหมก็รู้จึงเขาถามเขาเป็นไงหนูแย่เลยทำไมมันเครียดมันง่วงเช็ดตาไม่ใช่นักกรรมถ า, านเขาไม่ตอบอย่างนั้นตอบไหมตอบไงแมนก็เครียดอย่างนี้จริงๆอ่ะ ห้วงตาบอกว่าให้ดูมันไม่ใช่ไปเป็นกับมันทุกเรื่องไปดูไม่ใช่ไปอยู่กับมันมันใช่ไปเป็นกับมันมันแสดงก็อย่าไปร่วมมือกับมันแล้วมีภาวะที่ดูโอเคเลยเออวันนี้หนูเห็นมันเครียดเอออย่างนี้สิเห็นมันเครียดหรืเป็นผู้เครียดแล้วก็ออกกว่าจากความเครียดเออตองอย่างนี้นะเห็นมันไหมเป็นกับเห็นต่างกันไว้เห็นมันโกรธหรือเป็นเมื่อโกรธ ลองดูสิปฏิบัติคือเห็นมันถ้าไม่ปฏิบัติคือเป็นไปรกรมันเลยพูดว่าเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้อยู่เป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็ น, ปนมันมากเหลือเกินอาการต่างๆเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจเรานี้เรามาดูมันดูมันที่แสดงออว่าความเท็ดความจริงเป็นยางไรบางทีมันสมมุติขึ้นมาเอาสมมติเป็นของจริง บัญญัติว่าเราชอบเราไม่ชอบบัญญัติเราเองบางคนก็ทําให้เราบัญญัติคําพูดลักษณะท่าทางสมมุติรูปธรรมเสื้อผ้าอาภรอาต่างๆบัญญัติทําให้เราบัญญัติสมมุติขึ้นมาก็คอยึดเอาอย่างจิตของเราสมมติขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาคิดขึ้นมาชอบคิดขึ้นมาไม่ชอบคิดว่าเราโกรธคิดขึ้นมาเราทุกเราเองเราทําเอง ไม่มีใครที่ไหนปัญจขึ้นราน่าชอบว่าไม่ชอบเราจึงมาศึกษาตามส ม, มุปัญจญโดยเห็นเี่มันเกิดขึ้นกับเราด้โอ้สนุกดีมาเห็นของจริงในชีวิตเราดูเอามีสติผวมรู้สึกสตินี้ถ้าใหม่ใหม่ก็เป็นสติต่อไปจะปัญญาณเป็นดวงตาภายในของเรารู้รอบมันไม่ใช่อยู่ที่อยตรงนี้ถ้ามันมีแล้วมันไม่ลืม เห็นอะไรก็เห็นอันเดียวความโกรธก็อันเดียวความทุกข์อันเดียวโกรธอยู่ที่นี่โกรธอยู่ที่ไหนก็อันเดียวกันมันเป็นอันเดียวไม่ใช่งอกงามเหมือนโลกภัยไข้เจ็บโลกเอืจโลกอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาโลกี่อยู่กับเราเลยมันอันเดียวมันหลงเมื่อมันหลงก็ไปไกลเมื่อมันลู่ก็หยุดแล้วแค่นี้เองเราจะทํามาได้เลยเรียกว่าปฏิปธรรมมาพูดมาบอก เรื่องสิ่งที่ทําได้พูทเจ้าสอนเราในสิ่งที่เราทําได้ไม่ใช่สอนสิ่งที่ทําไม่ได้เราหลงแล้วก็ลู่ได้ไม่มีอุปกรณ์อันที่หนึ่งที่สองมาช่วยมันง่ายง่ายอะอันตัวลู่ชื่อๆมันง่ายเบาถ้าเอาก็ดับเราจะมาศึกษาเรื่องนี้กันควรที่จะประกาศน่าประกาศจ่างๆเอ้าไปหลงเอ้าไปทุก มันไม่ทุกข์ก็ได้นี่นะเอาไปโกรธมันไม่โกรธก็ได้เนี่นะเรื่องแค่นอ้จะโกรธไปไงทุกข์ไปไงไหวไหมไม่ไหวไหวไหลวงตาเคยเคยสวนทางกับความคิดคนนั่งรถไปด้วยกันมันล้อนไปเผยแผ่ทําที่เชียงใหม่แต่ไมอาจารย์ทองศิลเป็นนักศึกษาอยู่ที่พะยับเชียงใหม่ไม่หวนไปสอนอันนี้เป็นนักศึกษาเดียตจบแล้วทํางานทํากานเรารมาบวช เป็นอาจารย์กรรมฐานที่เป็นกรรมฐานแม่ไก่หลายลูกแต่พระก็ไปหาอาจารย์วรเทพนั่งรถไปขึ้นรถที่อทขอนแก่นส่มื่ออนรถสีส้มร้อนรถเก่าๆขอให้เรานั่งข้างหลังมันก็ติดเครื่องเผาเรามันก็ร้อนขึ้นมาที่เข้าอี๋เงยขึันโจมหมดไหลออกมาหาก็ไม่ไหวไม่ไหวร้อนรอนตายตาเาผ้ามาพัดเตีง เรตก็นั่งนั่งก็หาวิธีช่วยเอาผ้าเอามันล่อนขึ้นตรงไหนมันล่อนกันตรงนี้เอาผ้าไปยัดไปตายตายตาไม่ไหวไม่ไหวหราตาก็ไม่ได้พูดตกพูดในใจไม่ตายไม่ตายไหวไหวมันล้อนอ่ะก็ดีอ่ะไม่ตายไม่ไหวไม่แสดงให้เป็นความตายความไม่ไหวอย่างนั้นไหวมันร่อนก็ไหวอยู่ไม่ตายไม่ตายไหวไหวก็คิดสวนทางแบบนี้ ไม่แช่อร้อนมาเป็นทุกข์ไม่แช่เย็นมาเป็นสุขเป็นธรรมดาเห็นวันไม่ค่ามันเลยไม่ค่าความร้อนไม่ค่าความเย็นไม่ค่าความสุขไม่ค่าความทุกข์เอาอย่างนี้ชีวิตเราจึงจะเป็นผงปัญญ์บริสุทธิ์ทำได้ไหมมันทุกข์ไม่ทุกข์มันหลงไม่หลงไม่ใช่เอาแย่งกันเอาโปกดโลไม่ต้องไปร่วมมือกับเขาทําใจสบายและเย็นในที่เตาหลอมเหล็ก ตรงที่มันร้อนทาให้เย็นตรงที่มันหนักทำให้มันเบาไม่จริงอยูใช้ได้ชีวิตเราถ้าไม่เช่นั่นมันใช่มาได้มันทุกไม่ทุกมันโกรธไม่โกรธมันหลงไม่หลงเปลี่ยนอย่างนี้<ม>เปลี่ยนที่เราใจเอามาเปลี่ยนอย่างนี้ใจอย่าจจไปเอาหัดตรงนี้งัดลู่หัดลู่ห<ม>ัดลู่นี่ถ้าไปเฉดอย่างนี้ก็ไปเฉดตัวเองน่าเห็นด้วยเห็นด้วยกับอะไรที่มันเสียก่อ ร่วมมือกันมันหลงก็ปไยกับความหลงมันทุกข์ก็ปไยกับความทุกข์มันโกรธก็ไปกับความโกรธมันมีประโยชน์อะไรนี่ต่เป็นโทษตัวเองแล้วโกรธบ่อยก็เป็นลูกกับพราะอาหารถามคนหมอดูเวลาใครเป็นปวดท้องไปเขาก็ถามประวัตินะโกรธบ่อยๆกะทุกข์ไปเทอือนมากนี่มาปฏิบัติธรรมมันคบวงจร น, นะำวงจรของชีวิตเรามันตั้งอยู่ที่การปฏิบัติธรรม อาจจะถูกต้องไปหลายๆอย่างทำเรื่องเดียวรู้ไปรู้ไปรู้ไปเป็นปัญญาการหลงเป็นเหตุตัวรู้เป็นผลเปลี่ยนเหตุไล่เป็นเหตุดีเป็นการกระทำเปลี่ยนกรรมสิ้นกรรมสิ้นจริงๆหมดจริงๆหมดกรรมหมดเป็นใครจะเปิดเพื่ออะไรมาหรือเหมือนกับรถถูกชนมามีลอยลักลอยแฉนลอยสุขรอยทุกข์ลอยได้ลอยเสีย มามาซม้มมาเข้าอู่โดยมีสติจัจัญญะรักษาดีเหมือนเดิมถ้าไม่หัดตรงนี้มันจะเป็นศูนย์เป่าชีวิตเราเกิดมาต้องเอาตรงนี้กันให้มีค่าเกินมาให้คุ้มค่าให้ยกเปื่อว่ายตัวเองโอ้พ่อแม่เลี้ยงเรามา เ, เพื่อการนี้คุ้มค่าแล้วพ่อแม่เอ้ยเลี้ยงเรามาไม่เสียค่านำน้มลง เรื่องลูกมาได้มารูกดังนี้อันคุ้มค่าแล้วก็ทำดีเรื่อยไปเอารูปโอกายเอาใจที่ได้มาจากพ่อจากแม่มาทำดีไม่ใช่พ่อแม่เราตายไปไม่ใช่นะั้นเรายังอยู่เรายังอยู่เพื่อทำกรรมดีนี่คือดารงมูตกูลท่านเรามาช่วยกันชีวิตของเราเนะนับหนึ่งจากตัวเราก่อน ถ้ไม่นับที่ตัวเรามานตั้งต้นที่ตัวเรามันก็มีสองต่อไปมันต้องมีสามต่อไปไปบอกกันไปพูดกันเป็นเพื่อนกันอาจารย์จงจิ๋งเขียนไว้ที่ลองทานป่าดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่เราไปเฉยๆไม่เ ง, งไไียไม่ขอะไรมันจะดีอยู่ที่เรามาช่วยกันดยางนี้